อันสาธุชนพุทธบริษัทหรือว่าพระโยคาวจรทั้งหลายยามนี้เป็นยามเช้าตรู่อย่าลืมว่าระเบียบของค์สมเด็จพระบรมครูและพระลรหันทั้งหลายท่านไม่ได้นอนก่องโค้งตูดดงหาความสุขกันแต่ถ้าว่า ท่านกลับลุกขึ้นมาเจริญมีปรสนายานมีเฉพาะท่านที่ยังไม่ได้บรรลุมาผลก็พยายามกวาดต้อนกำลังใจของตนตรวจดูว่ากิเลสตัวไหนมันยังข้างค้างอยู่บ้างเรานั่งบิสุดดูเราตับตั้งแต่เวลานี้ไปถอยหลังไปนะถึงตอนเช้าวันก่อน เมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เรามีอารมณ์ใจดีแล้วว่ามีอารมณ์ใจเลวกิเลสตัวไหนไม่ก่อใจหราบ้างไปมองดูสังโยชนิ ก, กายญาติทิเรายังติดอยู่ในกายไหมเห็นว่ากายเป็นคุณหรือว่าเห็นว่ากายเป็นโทษวิจิกิจฉา เราฝ่าฝืนคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านธรรมะระวีในเพื่อทั้งศีลและธรรมข้อใดข้อหนึ่งบ้างไหมหรือว่าเรามีกำลังใจฝ่าฝืนประเพณีเพื่อาทาใจให้ไม่สมบายจะประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งอาเป็นกฎธรรมดาของโลกมหรือเปล่า มีใจหวั่นไหวในโลกกะระทะไหมในรารการที่สามศีลบริสุทธิ์หรือเปล่าประการที่สี่อารมณ์ที่เนื่องเยกามารมมันยังขังอยู่ในใจหรือเปล่าใรายการที่ห้าการก็ทุกกระทั่งความไม่พอใจจากการที่เขาพูดไม่ดีทำไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราไม่เกิดมาหรือเปล่า เรืการีหกเราหลงไหลอยู่ในรูปอรรชานไหมเข้าฌานมันแนบนิ่งจิตมั่นคงดีติดอยู่แค่นั้นบ้างหรือเปล่าเรืการทีเจ็ดเราโตเราหลงไหลอยู न न ่ในรูปอรรชานบ้างหรือเปล่าเห็นมไหมรูปอรรชานเป็นของไมพิเศษประเสริฐตัวรูปอรรชานจิตมันเบามันไม่เกาะร้อนไม่กกอนหนาวไม่เ่อยหิวไม่เกาะกระหายไม่เกาะร่างกายใดใดทั้งหมด แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคต์ท่นทรงแนะนํำไปบอกว่ายังไม่ได้ไม่ใช่ดีสุดของความทุกข์ <c oughs> เรายังติดมันบ้างไหมเรายังมีมานะถือตัวถือตนเราดีกว่าเขาเสมอเขา <c oughs> เรวกว่าเขา <c oughs> ใไอคาว่าเรวกว่าเขาที่ถ่อมตนลงตีเสมอเขานั่นตีเสมอดีกว่าเขาคิดมาตัวเป็นคนเลิศ อารมณ์อย่างนี้มีสำหรับเราบ้างหรือเปล่าเราอารมณ์เราฟุง้งซ่านเกินไปไม่คือใช้อารมณ์ของเราปล่อยพนิพานทิ้งเสียไปยุ่งอารมณ์อย่างอื่นคือไปแตะความรักแตะความโลภแตะความโกรธมีบ้างหรือเปล่าหรือ ว, ว่าเรายังเมาอยู่ในขั้นห้าทาร่างกายมีไหม ในเมื่อโลกนี้ประเสริฐเทวโลกและพรมโลกประเสริฐยังมีสําหรับใจเราบ้างไหมเรายังปราถนาความเกิดเรายังเส้นได้ร่างกายมีบ้างหรือเปล่ามีไหมตรวจใจดูสให้ดีถ้ามันยังมีแล้วก็ไปตรวจบา ร, รมีสิบระการว่มามันบกพร่องตรงไหนบ้างในบารมีสิบ ตัวบารมีสิบราการนี้เป็นกำลังใจที่มีความสำคัญคืออารมณ์ใจของเราเต็มเปี่ยม้วยทานไหมเราให้ทานเสมือนการตัดโลภความโลภศีลของเราครบถ้วนไหมมีวนห้ารายการกินใจระวังหรือเปล่า เราใช้ความเฉลียวฉลาดให้รู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงของราอ่างกายด้วยขันห้าหรือสภาวะของโล ก, โล ก, โลกควารเปล่าขึ้นที่ว่าโลกการทำมันเบียดเบียนใจเราบ้างไหมถ้ายังเบียดเบียนใจเราก็สแสดงว่าปัญญาของเรายังดีไม่พอเรามีความหันมันเพี้ยนที่จะหาจุดใดจุดหนึ่งในสมถภาวนา ามาเป็นคู่มือทำลายกิเลส ท, ที่ติดอยู่ในใจให้สิ้นไปควบคู่กับวิปักษณายาณ์มั้ยหรือเปล่าเรามีขันติคือความอดทนอดใจในสิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่งหรือสิ่งที่รียงแก้ไขไม่ได้จิตใจของเราเป็นปกติหรือเปล่าสัจจะความจริงจริงทุกอย่างที่เราจะไม่ถอนความจริงที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่า เราตั้งใจมั่นไหมจะสรีฐานแลบารมีและจิตใจของเรานี้ประกอบไปได้วยความโหดร้ายโกรธทายสันิดคิดจะทําร้ายเขาบ้างหรือเปล่าอูเบคายเห็นว่าขันห้าไม่เปลนเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันอย่างนี้เราท่งได้ไหมสมบัติของโลกทั้งหมดมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะว่ามันมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็แปรเปลี่นในทรามกางสลายตัวไปในที่สุด ในบารมีทั้งสิบรายการนี้ของเราครบถ้วนมัองไหมทบทวนกำลังใจโดยดีนี่เวลาเช้าตรู่อย่างนี้อารมณ์ของเรายัางสบายเตือนใจปลุกใจกระตุ้นเตือนใจใช้สติสมัยัญญาควบคุมเขาไว้ถ้ากำลังใจทั้งสิบรายการของท่านครบถ้วนเรื่องอะไรละการที่จะทำใจให้ลำบาก เวลาการนี้เป็นเวลาการที่สมควรที่เราจะตักปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้แต่พระองค์เองก็ต้องตื่นเช้ามืดเหมือนกันตรวจดูรูปนิสัยของสัตว์สําหรับพระอรหันต์ตื่นเช้ามืดท่นเข้าพร ะ, ะสมาบัติคือว่าทําจิตของท่านสลัดจากกิเลสบริสุทธิ์มีความสุขทรงสมาบัติเพืหวังความสุขส่วนในส่วนตัว และสําหรับที่ท่านทรงชาญสมาบัติก็เข้าทรงชาญสมาบัติถอนแจกฌานมาแล้ว <c oughs> ใช้กําลังของชายควบคุมใจพิจารณาวิปัสนาญาณตามที่องค์สมเด็จพระที่แก่วภิ ร, รมศาสนาสงศ์เราทําอย่างนี้บ้างเปล่าและสำหรับท่านที่เป็นปู้โชนยังไม่ถึงกับเป็นได้ชาญสมาบัติ ก็ทําจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ครบถวนบริทานศีลบารมีทั้งสิบประการมันหรือเปล่านี่เวลานี้เป็นเวลาการที่เราต้องทําอย่างนั้นทําหรือยังตื่นหรือยังตื่นขึ้นมาแล้วคิดออกหรือยังถ้าคิดไม่ออกก็รีพิกที่จะเราไม่สามารถจะพิชิตปีเลดได้ก็เพราะความขี้เกียจของเราเป็นสําคัญ บารมีสิบราการเราไม่สนใจเราก็เป็นท่ายของอาบายภูมิคือสัตว์นรกเป็นต้นมี่การที่เรายังเป็นปุถุชนคนหนาเน่นไปด้วยกินเลยเพราะความขี้เกียจของเราเป็นปัจจัย <c oughs> เราอยากจะทุกต่อไปก็เชิญขี้เกียจตามสบายถ้าอยากจะสุขก็จงขยนันต่อตอนนี้ไปเรามาพูดถึงวิปัสสนาญาณข้อที่ห้า องสมเร็จพระบรมาศาสดาตรัสว่านี่พิธานุปัสนายานรีชากำหนดทิ้งความเบื่อหน่ายนี่ตัวนี้มันเบื่อมันแล้วหรือยัง <c oughs> ถ้ายังไม่เบื่อก็จะเพิ่งจับตัวนี้จับตั้งแต่ตัวต้นยันตัวที่สี่ที่กล่าวมาแล้วให้มันเห็นคุณเห็นโทษปรากฏว่าเห็นว่ามันเป็นโทษมันเป็นภยัย ก็อะไรเพราะว่ามันไม่ทรงตัวก็แถมสุกปรกโดยกยกกายกตานุสติกรรมฐานอสุปรกรรมฐานวิปและก็มรณา น, นุสติกรรมฐานเข้ามาเป็นเครื่อขึ้น่เทียบเคียงเปรียบเทีย บ, บ, บแล้วก็พิจารณาในด้านมิปัสฉนาญาณนี <c oughs> น่กรรมฐานนั้งสามบรรการนี้บรรดาท่านพโยคาวาจรหลายถือไว้เป็นปกติหรือเปล่า ถ้าจะเดินในมหาปฏิปทานนั้นสุดก็ดูการจิตาอนุสติกามฐานเป็นสําคัญแล้วก็ใช้จิตตานุปัสสนามหาปฏิปทานเป็นเครื่องควบคุมใจว่าเวลานี้อารมณ์ใจเขาเรามีความรู้สึกเป็นยังไงดูตามแบบปฏิบัติในจิตานุปัสสนามหาปฏิปทาน ที่ท่านที่ได้บรรลุกันง่ายๆเขาทำกันแบบนั้นจะง่ายหรือว่ายากก็ตามทำแบบนั้นเหมือนกันหมดตรง น, นี้มาข้อ น, นี้องค์สมเด็จพระบร ม, มสุคติรูนว่าคำหนึ่งทึงความเบื่อหน่ายความจริงมันก็ควรเบื่อแล้วเพราะตั้แใ่เกิดมามันก็เต็มไปด้วยความทุกข์หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ คนเพลอมันเท่าไหรมันก็ไม่ตามใจเราเอาอยารักษาโรคให้กินมันก็กินหายไปเดี๋ยวเดียวมันก็เป็นใหม่เราหิวก็มากินไปสะเท่าไรมันก็ไม่รู้จักอิ่มมันก็บอกว่าอิ่มเหมือนกันแต่อิ่มไม่ได้ขาดเดี๋ยวก็หิวใหม่บำงุงร่างกายเท่าไรก็ตามมันก็เดินเข้าไปหาความสุขสม จะดูภายในของกายดูภายนอกของกายมันก็เต็มไปด้วยความสปกปรกแล้วเราก็กระทบกระทั่งกอา ร, รมณ์ของโลกกท็ทธรรมทั้งแปดรายการตลอดเวลาจะทำดีขนาดไหนก็มีคนเขาด่าจะทำชั่วขนาดไหนก็ตามก็มีคนเขาแช่งผลจะตกผลจะแรงความสาดแช่งไม่ได้สลายตัวไปด้วย นี่มันช่วยให้กระทบกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาแลนในที่สุดความตายขอมันก็เดินก้าวหน้าเข้ามาความจริงมันไม่เดินเข้ามาถ้าเราเดินไปหามัน <c oughs> ความพัดพรากจากของรักของชอบใจก็มีปลากดขึ้นมาทุกวันการประกอบกีจกายงานก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยยากถ้าเราจะเกิดมาทำเกลืออะไรเกิดไปทําไมมันอีก บรรดาท่านพระธรรมั pearls, 是是ิตมีปัญญาพิจารณาบ้างไหมคิดเห็นว่ามันควรจะเบื่อควรจะน่ายควรจะทิ้งบ้างไหมในใชอารมของวิปัตถะภาวนาเข้ามาใช้กายะตานนสติอาุปะกรรมฐานบรณานนสติหรือว่ากายหรือว่ากายานุปัสสนามหาปฏิปทาน เวทนานุปัสนามาหา a ฏิป i v a t t h ิตตานุาปัสนามาหา a ฏิ t ทา a และก็ธรรมานุปัสนามาหา a ฏิ t ทา a ใช้อารมณ์ที่มีความสําคัญควบคู่กันตลอดไปใช้บ้างหรือเปล่าเห็นไหมว่าร่างกายของเรามันน่าเบื่อน่าหน่ายเพียงใดแล้วก็จะไปเมามันสร้างความรักกายของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์อะไร จะไปเมามันสร้างความรักในวัตถุอย่างอื่นเพื่อประโยชน์อะไรจะอยากได้กายของบุคคลอื่นมาเป็นคู่ครองเพื่อประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราเราต้องการจะมีมันต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรมีไหมละ่ะดีไหมมีแล้วมันเป็นทุกข์ยังไงดีไหมถ้ายังเห็นว่าดีก็ตามใจบรรดาท่านพุทธบริษัท แต่ควรจะคิดว่ามันไม่ดีแต่เห็นว่ามันไม่ดีก็เลิกกันเบือนเน่อหน่ายน่นหน่อยจริงๆเบื่อจริงๆไม่ใช่เบื่อเบื่ออยากอยากเวลาพูดก็เบื่อเวลาคิดก็เบื่อเวลาเลิกแล้วเดินไปเดินมาไปเจอของสวยของงามเขาอีกอยากได้เห็นสภาวะต่างๆเต็มไปด้วยความมั่นคง นี่มันเป็นอารมณ์ของความหลงคือความโง่แนะนําเพียงเท่านี้นะเบื่อก็เบือเบ่อไม่เบื่อก็ตามใจนี่ที่ท่านได้กันดีๆในพระพุทธเจ้าแต่เพียงนิจังทุกขานตาเพียงเท่านี้ท่านก็เป็นปาลหันเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความขยันในด้านบารมีทั้งสิบประการ แล้วท่านาก็ใจของท่านอ่านอารมณ์ใจว่าเกาะในสังโยกทั้งสิบรายการตัวไหนบ้างพยายามปลดนี่เราปลดเป็นไหมถ้าปลดไม่เป็นก็หัดปลดถ้าปลดไม่ไหวก็เกิดเพื่อตายตอบอีกนับชาติไม่ทนนี่ในวิปสัสสนาญาณข้อต่อไปองค์สมเด็จไซจอมตรกล่าวว่ามุนจิตุกรเมยตายานอย่าลืมนะ มุนจิตุกรรมยตายานภาษาบาลีไม่ต้องจำก็ได้การปลเียงภาษาไทยว่าปรีชากำหนึ่งด้วยคข้ใจพ้นไปเสียนี่มันเบื่อแลใ น, นบรรดาท่านพระธบิษัทจะมาเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไรหนทางใดที่ไหนบ้างละพอที่จะพ้นไปราคาความรักเริ่มหน่ายความสวยโสดทดงาม ใช้กายกช้ตานุสติกรรมฐานนสุปกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานมาพิจารณาควบคู่กันไปมันจะได้ตัดไปเสียได้ตต่ความรักก็เห็นว่ามันสุกโปกแล้วก็มันเป็นหลายตัวโลภความโลภย่ากันได้ใช้การให้ทานและให้อภัยทานเป็นกาลังมันจะได้ผลักความโลภให้มันพ้นไป โทษาความโกรธที่เป็นใบใจัยให้เป็นตัวเกิดอีกอย่างหนึ่งมันจะดึงให้เราเกิดต่อไปถ้าไม่เอาหลักมันไปแสดงนาจเมตตาพรหมวิหารสี่หรือว่ากระสินสี ร, ระการนี่ต้องใช้สมถะภาวนาควบคุมกันไปด้วยมันจะได้ช่วยให้เราบรรลุได้เร็วจะบารวานั่งคิดนอนคิดว่ารูปนามนามรรูปรูปนามนามรูปอย่างเดียวมันจะไปไม่ไหว เพราะว่ากําลังใจของเราไม่ใช่อกติตันอยู่คือเป็นผู้มีความเฉลีวยวฉลาดแม้แต่องค์สมเด็จพระบร ม, มโลกตนกนน็น่าจะแนะนําแต่เพียงว่าข้อกับคนไปได้ถ้าเราเป็นคนที่มีจริยาคือจริตแบบนั้นก็ไม่เป็นไรบรรดายท่าพุทธบริษัททุกทา่านถ้าจริตขอเรายังไม่ถึงแบบนั้นก็ต้องว่ากันตามนี้หละตามที่ว่ามาแล้วหนีไปเสีย วิธีที่อเนเช่นพ้นก็ต้องสร้างกําลังใจในบารมีทั้งสิบระการในครบถุนอย่าให้พร่องแม้แต่หนึ่งวินาทีจิตใจของเหล่านี้ต้องควบคู่อยู่ตลอดเวลากับบารมีทั้งสิบระการแล้วก็นั่งคํำสังโยคสิบรายการว่าไอ้ตัวไหนหนอที่มันยังเกาะใจของเราอยู่ที่มันยังฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูตัดมันให้คายแคนลินไป นี่เป็นแนวทางที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยสอนให้เดินแต่ต้องรู้จักเดินถ้าเดินไม่เป็นแล้วก็ตกร่องตายคือปันาญายข้อที่เจ็บรรดาทัานพุทธบริษัทท่านหลายปฏิสังขานุปัจสญายานบาลีไม่ต้องจำก็ได้แปลว่าปรีชาคำหนึ่งด้วยการพิจารณาหาคุณทาง นี่ความจริงก็พูดมาแล้วในการหาทางคือสร้างบารมีให้ครบพิจารณาในด้านในด้านของสังโยคสิบรายการโวยครบถ้วนตามกระบวนความแล้วก็หาสมถะกรรมฐาน ท, ที่คู่ควรที่จะตัดอารมณ์แบบนั้นนั้นมาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปโปรดบอกว่าถ้าเรามีความฟุ้งซ่านในจิตนีหาทางนะให้ใช้อนาปานุสติกมันฐานเขาควบคุมคกำลังใจแต่กำลังใจเขาเรามีความรักสวยรักงามเป็นสำคัญ ก็ใช้อสุปรกรรมฐานสิบอย่างกับกายขจตานสติกรรมฐานเป็นสิเอ็ดด้วยกันมาควบคุมกําลังใจนี่ ห, าท า, หาทางหนีหาทางหลีหาทางแล่นี่ก็ต้องใช้สมาธิเข้ามาควบคุมยาท่านลงตนว่าสมาธไม่ใช่ทางมนุษย์มักผลถ้าหากว่าสมาธิไม่มีประโยชน์สมเด็จพระพูทธมีพระเจ้าก็ไม่โปรดให้เราปฏิบัติ ถ้าความโกรธมันไปจำใจจะสลับมันได้ก็ต้องอาศัยพรหมมือหันสี่และกสินสีตามที่กล่าวมาถ้าอารมณ์จิตของเรางุ้นงานตัดสินใจไม่ได้ก็โดนในเรียกที่ว่าโมหะหรือว่าความโมหะเจริคิดคิดหลงตลอดเวลาหรือวิตกจริคิดไม่ตัดสินใจไม่ออก ก็ใช้อนาปานุสติสมาฐานนี่ความจริงมันก็กล่าวมาแล้วแต่เมื่อกี้ไม่ได้พูดทั้งยัริทอารมณ์ที่คิดอยู่แต่ความเชื่อในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมลมาคูเกิดด้วยความเชื่อและความเลื่อมใสอันนี้องค์สมเด็จไว้จอมไตรให้ใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจ้าคานุสติทิวตานุสติแล้วก็อะไรล่ะ อีกอย่างหนึ่งสีลานุสติถ้ามันบกพร่องไปบ้างก็ขออภัยถ้าพูดนี่ไม่มีหนังสืสาวไส้ออกมาพูดใช่พุทธานุสติธรรมานุสติสีอสังขานุสติสีล า, า, า, านุสติจาคานุสติเทวตานุสติหกอย่างด้วยกันเพื่อที่นี่อาจจะเผลอเผอไป ถ้าหากว่ากำลังใจก็เรามีความปรีชาสา ม, มารถมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกกันว่าพุทธเจริกก็ใช้กิตที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเข้าไว้คือมรณา น, นุสติแลว้วก็หาเร่ยปฏิกูได้สัญญาจะจุธาประทันสีอุปสัมมานุสตินึกถึงพนิาพนาพนเป็นอารมณ์ตัวนี้แปลให้ไม่แปลเดี๋ยวจะไม่เขา้าใจเฉพาะตัวท้าย อุปสมานุสติเกินนึกถึงเะนิพานเป็นคารมนี่เป็นทางที่เราจะไปได้แล้วก็มาเทียบเคียงกับวิปัสสนา่างเข้า <c oughs> เอาเข้ากับอริยสัจให้ได้ว่าเราอยู่อย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ปัญหาความสุขไม่ได้แล้วก็หาทางหนีทางไร่ไปให้พ้นจากความทุกข์ก็ได้แก่เพื่อจะมาแทางตามญาติที่กล่าวมา นี่เป็นการหาทางแบบนี้หากันเอาเองก็แล้วกันมีนังเสีอให้แล้วในยานที่แปดองค์สมเด็จพระบราทีตแกวกล่าวว่าสังขารุปเปขายานยานอันนี้พิจารณาคำหนึ่งถึงความวางเฉย <c oughs> เฉยในอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทเฉยในโลกธรรมเป็นดบแรก โลาก็ทำไปรายการโยนทิ้งไปเลยจากใจอะไรบ้างที่มันจะเข้ามาสิงในใจจับมันโยนทิ้งไปมาใช้จุดหนึ่งก็เฉยกายกายมันจะแก่เริงแก่ตามสมายฉันรู้แล้ววันไหนแกแก่กายมันจะป่วยเชิญป่วยตามสมายฉันจะรักษานายคือเป็นการระงับเวรชนา ถ้ารักษาหายไม่หายตายแหลกเช่างมันเฉยอาการทัดแร่แจากของรักของชอบใจตามสบายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมัน <c oughs> นี่มันเฉยทั้งหมดถือว่ายอมรับเถอะถือว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าการเกิดมีมามันก็ต้องมีอาการอย่างนี้ปรากฏเฉยจริงๆถ้ามันเฉยได้ทั้งหมด แต่ว่ามีลาบเสียมลาบมียศเสื่งมยศยศนินทาเสนเสริญสุขทุกในสุขในกายมารุมก็โยนทิ้งไปทุกจากกายกระทุกกระทั่งใจสิ่งนี้ไม่ชอบใจไม่สบายกายไม่สบายใจก็โ ย, ย, ยนทิ้งไปเฉยนอนนึกสมบัติบายวาดภาพไว้ถ้าตายเมื่อไรพังเมื่อไราเราไปดิคาร์มือ น, นั้น ยิ่งเวลาการผ่านไปไปมาทลายความดีใจย่อมปลายโคตเรเคิดว่าเราจะพอเราจะมีความสุขตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตแนะนําไปแล้วเฉยใครจะมาบอกเรื่องรักเฉยใครจะมาบอกเรื่องรวยเฉยใครจะมาบอกเรื่องความโกรธความเพียรหมาดเฉย ถ้าจะมาบอกก้อนนุ่ของเรานี่ของเราเฉยเรารู้อยู่แล้วว่าตัร่างกายก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วของภายนอกกายจะมีอะไรเป็นของเราอีกนี่เป็นยานที่แปดแต่ยานี้กาสัจจานุโรมิคยานยานตัวนี้ไม่มีตัวจริงๆท่านแนะนําให้ว่าปรีชาเป็นไม่ไดความรอบรู้เพราะว่าแก่การทสงควรในการกำหนดรูปอริยสัจ <c oughs> เพ no <ederim> ื่อหาทางกำหนดโน้ด้านอริยสัจวิปัสสนาญาณเก้ากัริยสัตว์ก็คือตัววิจารณาขันห้าตัวเดียวกันหรือว่าที่องค์สมเด็จพระทรงทัานทรนทดสอบแต่ทรงสอนไม่บอกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันก็ตัวเดียวกันเป็นอน่ตวิปัสสนาญาณมีอัตขันเดียวคือขันห้าเครื่องขันหน้าใช่ได้ ใช้อุบายนี้ท่านพระอนุโลมให้มองดูร่างกายตั้แต่ข้อหนึ่งถึงข้อแปดเห็นว่าทุกจุดมันเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรที่จะเป็นความสุขสำหรับเราแม้แต่คนอื่นก็ไม่กันไม่มีใครมีความสุขมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านแต่ว่าอย่าลืมระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าเราพิจารณาไปแล้วก็ถ้ามันยังไปไม่ไหวก็มันนั่งดูบรารมีสิทตรงไหนน้อมันบกพร่องเราจึงไปไม่ได้ถ้าในบรารมีสิทไม่บกพร่องแป๊บเดียวมันก็ไปได้ถ้าใครช่วงในอารมใจมันยังไม่หลุดก็ดูต่อไปถึงสังโยคสิบประการ <c oughs> ว่าที่องค์สมเด็จพระพิชิตธมานบรมมิสซาเซนดาสัมมาสัมพทุทธเจ้าสอนไว้ ว่าข้อไหนที่มันยังติดมันยังข้องอยู่ในอารมณ์ใจของเราอีกนั่งดูมันใช่ใดีถ้านั่งดูจริงๆเห็นจะเห็นจริงๆแล้วก็อยลได้เป็นอันว่าท้าบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายไม่มีความขี้เกียจและก็มีเครื่องมือครบถ้วนท่านจะพอใจในกรรมฐานสี่สิทอพอใจในมหาปฏิปทานนนสยก็ได้ทั้งสองประการ พระพุทธเจา้ามาดูสอนบทในบทหนึ่งขัดแย้งกันเข้าไว้ทำใดที่เราเห็นว่าขัดแย้งกันก็ต้องใช้กำลังใจพิจารณาเสก่อนตีความหมายในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินาวรบรมศาสีราสัมมาสัพพุทเจา้า <c oughs> ให้คบตีให้มันถูกเมันต้องตามความเป็นจริงแต่ว่าถ้าจิตของเรายังมีกิเลเขามันดาพยาวโยคาวจรชายและหญิง จงค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาถ้าว่าคิดน้อยเก e ินไปจะเห็นว ok ่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาสอนไม่ตรงกันพ่ามีกรรมฐานสี่สิบแล้วจะต้องมีมหาปฏิบัติฐานทำอะไรนั่นเรายังไม่เข้าใจในคําสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็จึก็คิดอย่างนั้น สิ่งที่เจนสรุปให้ฟังก็เวลานี้ท่านหลายเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วหรือยังถ้าเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราคลำต่อไปว่าเราฝึกคำกสอนของพระพุทธเจ้าบังไหมสิ่งของเราครบไหมเรามีพระนิพพานเป็นอารมณ์หรือเปล่าถ้าเข้าถึงจุดนี้คิดว่าท่านเป็นพระโสดาเลสีธาคามี ขยับโดยรมไปทีว่าอิ ก, การมามราคะความพอใจในการมาคุณมันหมดหรือยังความรู้สึกมันยังมีบ้างไหมเห็นอะไรมันสวยบ้างเห็นอะไรแล้วมีความกำนัดยินดีบ้างไหมการกระทบกระทั่งใจดีเขาทำให้เราไม่ชอบใจไม่เกิดความพ่อนลุ่งขึ้นมาเกิดอยากจะวิข้าดึงข้าจะตอบแทนมีบ้างไหม มีแล้วก็ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีเราเป็นท่านนาคามีได้มันไม่ยากสมถะภาวนากอดให้แน่นหยับปล่อยประจักใจอารมณ์เบื่อท้ายคือว่าความเมาในรูปประชานและรูปประชานการถือตัวถือตอนมีอารมณ์ฟุ่งซ่านไม่มง่งพระนิพพานโดยเฉพาะอารมณ์จิตยังมีฉันทากความพอใจในมนุษยโลกเทวโลกและสัมมาโลก เห็นว่ามนุษย์โลกที่ว่าโลกธรรมโลกเรื่องของสวยสดสวยงามยังมีความพอใจในรมแบบนั้นเห็นสมควรไหม <c oughs> <c oughs> เห็นไหมตัดได้หรือยังถ้าตัดได้ก็เป็นอราหารัรนี่คำว่าอราหันแปลว่าผู้มีกิเลสทันสิ้นไปไม่มีอะไรไม่ควรใจพระอาารหัน พระรหันที่เราจะเป็นกันนั้นบรรดาท่าพุทธบริษัททุกท่านไม่ชินนั่งหลับตาพูดน้อยไม่ใช่พระรหันเป็นคนมีอารมณ์สบายไม่มีความเดือดร้อนงานทุกอย่างที่จะต้องทําสิ้นแล้วก็เราว่าสาวกข้าองค์สมเด็จพระประทีตแก้วก็ยังทํากิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการเป็นรหันไม่ได้โยนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทิ้ง โยนทิ้งแต่พิง่งกิเลสและส่วนอรมณ์ที่จะสงเรา์บรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ตามที่องค์สมเด็จพ ร, ระบรมมหาราชเจ้าทรงทรงส่งครับมาอันนี้พระละหันพร้อมจะทำถา้วถาว่าทำได้เป็นปุรุจะเขาเยาําด่ า, าเขาเยาะไหวยังไงพระอะหันไม่กระเทือนเพราะจิตใจของท่านไม่เปื้อนไปด้วยอำนาจของกิเลสนี่จะชืะ่อว่าเป็นสาวก่าเองค์สมเด็จพ ร, ระบรมมหกราเจ้เต็มตัวแล้ว อราอาราบันดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จ พ, พระบรมที่แจ้าสาหรับอิปัฒนาญาณก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ <c oughs> ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสานิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี